ถ้าเราจะไปหวังอะไรกับตัวเสียงเพราะเสียงนี่ก็สุดแท้แต่วิญญาณใช่ไหมแล้วแต่ผีวิญญาณจะหลอกวิญญาณบัญญานี่ภาษาบางบางแห่งไม่แปลว่าผีนะวิญญาณในหนังสือสมัยใหม่บางเล่มเนี่ยหมายถึงผีะที่นั่นมีวิญญาณที่นี่มีวิญญาณแต่ถ้าเรียนธรรมมาเยอะๆว่าที่ไหนไม่มีวิญญาณไม่มีหรอกใช่ไหมที่ไหนมีแมลงที่นั่นก็มีวิญญาณที่ไหนมีมดมีปลวกที่นั่นก็มีวิญญาณเนี่ยนะ วิญญาณมันกอยู่สิงอยู่ทั่ว ๆ, ๆไปนี่แหละสิงอยู่ตามไหนบ้วิญญาณนี่มันสิงเไหมสิงที่ผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยนะไม่เชื่อเล็บขบดูสิสิงอยู่ตรงนั้นแหละปวดปวดเนี่ยนะถ้าวิญญาณไม่เกิดไม่ปวดหรอกนะฮัลทวิญญาณเหล่าเนี้ยเป็นต้นเหตุให้เกิด เ, เสียงเสียงบางอย่างเกิดจากจิตเสียงบางอย่างก็เกิดจากอุตุใครที่หวังความมั่นคงจากเสียงจะเป็นไปได้อย่างไรเก่นเก่นมีกี่สมุทฐาน สี่สมุธฐานะกรรมจิตอุตุและอาหารรสนะสี่สมุธฐานโพธาภะสี่สมุธฐานพันปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้สี่สมุธฐานนะบางครั้งก็เกิดจากกรรมบางครั้งก็เกิดจากจิตบางครั้งก็เกิดจากอุตุบางครั้งก็เกิดจากอาหารพันโพธาภะในร่างกายสัมผัสในร่างกายทั้งหมดเี่มีสมุธฐานสี่กรรมจิตอุตุและอาหารธรมรมารมะ ธรรมารมณ์นี้ก็สุดแท้ว่าเป็นรูปหรือเป็นนามเพราะธรรมารมณ์บางอย่างเป็นรูปธรรมารมณ์บางอย่างเป็นนามธรรมารมณ์ที่เป็นรูปคืออะไรคือสิ่งที่เว้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะที่เหลือจากรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะเรียกว่าธรรมารมณ์ที่เป็นตัวตัวที่เป็นรูปธรรมนะส่วนที่เป็นนามธรรมเก็คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นนามสิ่งเหล่านี้ก็ควรกําหนดรู้ควรเข้าไปพิจารณา ควรพิจารณาว่ารูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่รู้รสที่ ร, รับรับทราบโพธะที่รับทราบใจที่นึกเอ่ออาธรรมรมณ์ที่ใจนึกคิดถึงสิ่งเหล่านี้คือพระ อ, องค์อุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนโจรโจรใช่ไหมโจรที่ปล้นอะไรปล้นโลปล้นอะโลภะออกไปให้เหลือให้เกิดโลภะปล้นอโทสะให้เกิดโทสะปล้นอะโมหะให้เกิด โมหะซึ่งปกติก็อะโลภาอะโทสะอโสะโมหะก็ไม่ค่อยจะทํางานอยู่แล้วใชมันก็เลยเสิ่งเหล่านั้นมาครองที่เลยนี่มาเป็นเจ้าใหญ่นายโตวชวนกันเผาเผาบ้านเผาเมืองหมดเลยนะเผาแม้กระทั่งรักษาสุขติภูมิเอาไว้ไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภูพิเนี่ยนะเป็นกลุ่มปิยรูปสาตโรคที่ที่ศัตว์ทั้งหลายฝักใฝ่ปรารถนาพอใจติดข้องแล้วเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักเบื่อด้วยนะจิตของเราทั้งหลายวียนวนอยู่ใน อารมณ์หกนี่แหละเพฮัลจิตคือจักรคูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยไหลเวียนตามอะไรตามตาตามรูปตามหูตามเสียงตามจมูกตามกลิ่นตามลิ้นตามรสตามกายตามโพธะพาตามใจและธรรมอารมณ์เนี่ยนะพวกวิญญาณทั้งหกก็ไหลไปตามทวารและอารมณ์เหล่านี้นี่แหละไหลผ่านไตทวารแล้วทวารเล่าทวารแล้วทวารเล่าไหลอยู่นั่นแหละเนาะ ก็เลยถูกวิญญาณเนี่ยหลอกตลอดเลยนะ <c oughs> อย่างวิญญาณทวารตาที่เราเห็นเนี่ยมันหลอกหรือไม่หลอกหลอกว่ายังไงถ้าถ้าไม่ถูกหลอกมันจะเป็นยังไงมาคิดดูนะเออการเห็นเนี่ยอย่างไรชื่อว่าถูกถู ก, ถกวิญญาณหลอกจิตมันหลอกว่าโดยมากนะจิตมันหลอกว่ามันเที่ยงฉันนี่แน่นอนนะชันนี้แน่นอนนะแต่จริงๆชันนี่กลับกลอกที่สุดนะอะะรจริงๆแล้วะฉันนี่กลับกลอกที่สุดนะแต่มันหลอกว่า อู้ยอะไรจะแน่นอนเท่าฉันไม่มีอีกแล้วฉันก็เอาใจฉันรับประกันใช่ไหมเอาใจรับประกันโถวิญญาณอะไรจะหลอกลวงเท่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะวันแป๊บเดียวมันคิดตั้งหลายเรื่องใช่ไหมแล้วมันบอกว่าฉันแน่นอนฉันแน่นอนจะเป็นแน่นอนได้ยังไงเห็นไมเพราะวันหูก็เหมือนกันมันได้ยินปะปุยแน่นอนแน่นอนเรารับเอาใจเรานี่แหละรับรองเอาใจเรานี่แหละรับประกันบอกอู้ยเคยเห็นใจมันเที่ยงบ้างไหม เคยเห็นจักผูวิญญาณเที่ยงไหมเคยเห็นโสตคานาะชีวหากายะมโนวิญญาณเที่ยงไหมแล้ววันนี้วันนี้เราคิดมากี่เรื่องแล้วละ่ยนะยก็เปลี่ยนเรื่องคิดมาเรื่อยแล้วก็ยังบอกว่าใจเราเนี่มันแน่ใจเรานี่มันแน่นอนใจเรานี่ยั่งยืนมันมั่นคงอุ้ยแน่นอนแน่นอนมั่นคงวิปลาสจริงๆเลยนะเพราะเราไม่ตามเห็นถึงความไม่แน่ของใจทั้งหลายความเป็นทุกข์ของใจทั้งหลายใจเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข สังเกตดูใจมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นงไงนั่งอยู่น่ะอากาศก็ดีสีที่เห็นก็ดีเสียงที่ฟังก็ไพเราะมันอยู่ๆแล้วมันคิดหาเรื่องลําบากใจมาจนได้ไงคิดไปคิดมาคิดจนนั่งเศร้าเลยนะหลายเรื่องเลยนะเช่นอย่างมันได้เวลานอนหลับพักผ่อนได้ใช่ไห ม, ไมเก็บมาจนลําบากใจแล้วก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะก็เลยพาเรื่องอื่นเสียหายไปหมดเลยใจเอ้ยใจเนี่ยนะใจก็จะหลอกฉันไปถึงไหนเนี่ยนะคุยกันให้ดีๆเลยนะ จริงว่างก็น่าจะามาสัมมานากันบ้งางมาคุยกันบ้างนี่เธอจะหลอกฉันไปถึงไหนเนี่ยนะฮะแต่ว่ารูปจักขูรูปจักขูวิญญาณเนี่ยนะถ้าสามสิ่งประชุมกันเป็นพัสสะเป็นสัมผัสใช่ไหมสัมผัสทางตาบ้างสัมผัสทางหูบ้างสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจสัมผัสเหล่านี้เนี่ยนะใครอย่าไปคิดว่าเขาเขาธรรมดานะไม่ธรรมดายัางไง ร, รู้ไหม อ๊ยอะไรก็ตามนะถ้าเกิดที่ถ้าเราได้ภาษามาแล้วนะเรายืนยันมากเลยนะถ้าผ่านหูเรามานะเราจะยืนยันมากภาษาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแต่ว่าตัวภาษาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาสังขารและยไม่ใช่วิญญาณด้วยนะแต่ว่าไม่ไม่ตรงไม่ไม่เต็มที่แต่ว่าภาษาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาบ้างเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาและสังขารอันนี้แน่นอน ภาษาเนี่ยบางทีก็เป็นที่ตั้งแห่งเวสังขารที่เป็นกุศลบ้างสังขารที่เป็นอกุศลบ้างเหมือนะท่านอย่าไปเชื่อภาษาให้มากอย่าเชื่อการเห็นการได้ยินเพราะขณะที่เห็นได้ยินเป็นต้นขณะนั้นมีภาษาเนี่ยนะภาษะพระพุทธเจ้าอุปมาภาษาเหมือนอะไรนะแม่โคหนังตอกหรือหนังแม่โคที่ถูกถลกหนังก็กถูกหนังตอกเนี่ยไหนดีกว่ากัน แม่โคหนังแอกเหมือนกับเราปอกมะม่วงเลยถูกปอกออกหมดแล้วอย่างงี้ยกับแม่โคที่ถูกถลกหนังหมดแล้วอ่าเดียวกันนั่นแหละแต่กระทำว่าคําไหนมันชัดกว่ากันในความรู้สึกของเราเท่านั้นแหละนะถ้าใครที่ใช้คําว่าถลกถลกเนี่ยนะบางทีเข้าใจชัดพวกที่ปอกมะม่วงมาเยอะๆเนี่ยก็เออมแม่โคหนังกอกมันเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยแต่แตและแต่ว่าแล้วแต่ใช้ศัพท์บางกันเยอะเพราะปุ่พอ่พออะไรเพราะถ้าแม่โคหนังกอกหนังถลกเนี่ย ไอ้ถ้าทะลอกไปเฉยเขายังช่วมันไม่มีหนังเลยเนี่ยสิถ้ายืนอยู่กลางแก้งไปไงสัตว์ที่อยู่กลางแจ้งก็มากกัดถ้าไปอยู่ในร่มนี้ไปอยู่ในร่มเลยนะสัตว์ที่อยู่ในร่มก็กัดนี้แต่อยู่ในที่มืดๆอยู่ในหลืบเขาสัตว์ที่อยู่ตามหลืบนั้งกัดงั้นลงไปแช่ในน้ํำซะเลยก็ถูถกปลาเป็นก้อนในน้ำเนี่ยแหละมันกัดแล้วไปอยู่ที่ไหนดีสรุปนี่แหละผัสสาพึงเห็นผัสสาหารแม้ฉันนั้น ผัสสะในแต่และทวารเนี่ยเราไม่รู้จะหลบไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะจิตทุกดวงที่เกิดมีผัสสะเกิดร่วมด้วยเป็นสัมปยุต ธ, ธรรมเมื่อใดเนาจะกลัวผัสสะเท่ากับเหมือนกับแม่โคนหนังตอกเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดเนี่ยนะอย่าคิดนะว่าผัสสะที่เราเห็นเราได้ยินเป็นต้นเนี่ยจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนับในภายหลังทุกเรื่องทุกเรื่องทุกอารมณ์ถ้าเอามาทําปริญญาพิจารณาให้ดีๆเนี่ยนะ ทุกอย่างที่เราลืมตาเห็นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจจนได้ไม่สบายใจจนได้ะทุกเรื่องเลยนะทุกอารมณ์ด้วยทุกทวารด้วยนี้ต่อไปเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสโสตพาณิาชิวหากายและมโนสัมผัสสิ่งเหล่านี้ก็ควรทำปริญญาควรกําหนดรู้กําหนดรู้ว่ายังไงเอ่ยก็กําหนดรู้ว่าเวทนาพราะองค์อุปมาเหมือนอนะไรเนี่ยวเวทนาขันเวทนาขัน ประมาเหมือนตอมน้ำใช่ไหมเหมือนตอมน้ําที่ตอมน้ำคืออะไ ร, ค, ไรคือไอ้ก้อนที่มันผุดขึ้นผุดขึ้นเวลาฝนตกเลยนะก้อนที่มันผุดขึ้นผุดขึ้นนิ่ง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนั่นแหละเวทนาเหมือนต่อมน้ํา <c oughs> หรือเวทนาเนี่ยเหมือนอาการไข้ก็ได้เวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเวทนาแต่ละทวารแต่ที่จริงเนี่ยไข้นี่ยเขาวัดที่เวทนาเหมือนกันนะปวดมากไหมปวดมากหรือไม่ค่อยปวดเนี่ยนะบางทีก็ไอเขาเปรียบเทียบโรคว่าโรคหนักโรคมากโรคน้อยก็สังเกตจากเนี่ย เวทนาเพราะว่าเวทนานี่มันเป็นตัวเช็คสภาพของรูปประคันได้เหมือนกันมันเอื้อมไปหาว่าถ้าทุกขเวทนามากก็แสดงว่ารูปประคันไม่ดีเนี่ยนะรูปประคันเนี่ยอาการแย่แล้วนะเวทนาเหล่านี้เนี่ยเป็นทวารอย่างดีของตัณหาสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออสุขอสุขทุกขมาสุขเวทนาในที่สุดก็ไหลมาซึ่งตัณหา ใช้ใเนี่ยจะตามด้วยตันหาไหมตามไหมตามอย่าคิดนะว่าความใช้ใช้เนี่ยก็ขอใช้ยอย่างนี้ตลอดไปเอาไหมไม่เอานะขอใช้ใช้ยอย่างเนี้ยตลอดกาลก็ไม่เอาอีกนั่นแหละดังั้นใช้ก็ยังเป็นไลท์ให้มาซึ่งตันหาถ้าหากว่าทุกข์ล่ะอันนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมคนที่ทุกข์สมมติว่าคน คนตาบอดกับคนตาดีใครอยากเห็นมากกว่ากันคนเคยเห็นกับคนไม่เคยเห็นใครอยากเห็นกับกันอย่างเลยก็ไม่เคยเห็นเพราะนั้นไอ้ความทุกข์ที่มีอยู่ไม่ได้ทําให้ตันหาลดลงเลยคนหูหนวกอ่าคนเป็นโรคหูกับคนหูดีใครอยากฟังฝากฟังให้สบายๆก่ากันคนโรคหูเพราะนั้นทุกเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีตันหาแหละทุกเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตันหาด้วยซ้ำไปทุกขเวทนาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตันหาเนี่ยนะ ทุกทวารทุกทวารเลยนะคนหิวกับคนอิ่มใครต้องการอาหารมากกว่ากันคนหิวคนป่วยกับคนไม่ป่วยใครอยากหายโรคมากกว่ากันคนป่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกจึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัญหาปัญหามันถ้ากำหนดรู้เวทนาทุกเวทนาจะรู้ว่าเวทนาทุกเวทนาเนี่ยตามมาซึ่งตัญหาเวทนานี่มันอาศัยอะไรเกิดไหมอายอาศัยพัสะ ภาษาก็เกิดการจากการประชุมของธรรมะสามอย่างแสดงว่าทุกแห่งในโลกนี้โลกทุกทุกโลกเลยนะตามมาด้วยภาษาเวทนาและตันหาใช่ไหมตามมาด้วยตันหาทีนี้ต่อไปสัญญาแหละรู ป, ปรสัญญาสัทธาสัญญาเป็นต้นเนี่นะสัญญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปยรูปสาตรูปเพราะตามมาด้วยกามสัญญาและพยาบาทสัญญาเป็นต้น สัญญาว่าน่าพอใจบ้างว่าไม่น่าพอใจบ้างเนี่ยน ะ, นะคืออย่างเช่นถ้าถ้าวัดเช่นวัดว่าสีเนี่ยสีนี่เขาใช้สีนี่เอาคําว่าสวยเป็นเครื่องวัดเสียงเอาคําว่าเพราะเป็นเครื่องวัดกลิ่นเอาคําว่าหอมรสเอาคําว่าอร่อยสัมผัส่ะน ะ, นะ ก, ก็ก็แล้วเอาเป็นเรื่องๆไปนะถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องแข็งแขงก็เอานิ่มนวลใช่ไหมนะถ้าเกี่ยวกับ ร้อนๆน่ะก็เอาคำว่าอบอุ่นหรือพอเหมาะเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องๆไปทีนี้ไอ้รูปสัญญาเนี่ยนะมันบอกเลยเออแค่นี้สวยแค่นี้สวยน้อยไปหน่อยแค่นี้สวยมากเนี่ยนะอันนี้เอาสัญญาเป็นเครื่องวัดอารูปสัญญาเป็นเครื่องวัดนี้สวยมากสวยน้อยสวยสวยนิดสวยหน่อยเออทับได้อนั้นภาพมันก็สวยมากเลยนะพวกนี้เอาสัญญาเป็น เป็นตัวเป็นตัววัดใช่ไหมเพราะว่าเคยไปเห็นไปเปรียบกับสีอย่างอื่นเข้ามาเข้ามาก็เปรียบว่อาอันนี้สวยนี้สวยมากนี้สวยน้อยนี้ไม่สวยเลยอันนี้อ่นนะเป็ น, นางานของสัญญาเขาละสัญญาเขาเป็นตัวเช็คสภาพหมดเลยนะเขาเช็คเขาตรวจสอบเขาดูความแตกต่างกันได้อะไรได้สัทธาสัญญาก็เหมือนกันเออฟังอย่างนี้สิไพรเราะเอ้นี่มันไพเราะน้อยไปแถ้าได้เพิ่มมันนั้นจะเพาราะมากขึ้นเนี่ยนะ ก, ก็สุดแท้แต่สัทธาสัญญามันจะ เตือนเพราะว่าสัญญาเนี่มันก็ใกล้ๆกับตันหานั่นแหละคันท่สัญญาเนี่ก็หอมมากหอมน้อยเนี่ยแล้วก็ขันท่สัญญาเนี่นะแม้กระทั่งกลิ่นคาวปลายังบอกว่าหอมใช่ไหมเอาปลามาต้มนะหอมกรุ่นเลยว่าต้มปลาหอมเลยนะจริงเนื้อปลามันหอมจริงหรือมันก็อันนั้นเป็นลักษณะของขันท่ตันหานี่นะรัสสาตันหาแหละรัสสาตันหาอร่อยใช่ไหม รสอร่อยหรือรสไม่อร่อยเนี่ยแล้วก็รัสสัสัญญามันจะบอกนี่ถ้าได้เพิ่มน้ำปลานิดนึ่งเห็นไหมเพิ่มนั่นนิดนึงเพิ่มเค็มนิดหนึ่งเพิ่มเปรี้ยวนิดนึงเพิ่มเผ็ดนิดนึงเพิ่มแล้วแต่จะเพิ่มอ่ะ น, นะเพิ่มเปรี้ยวเขาจะมีไเช่นก๋วยเตี๋ยวเขาจะมีรสอะไรมาเพิ่มรสเปรี้ยวรสเค็มหวานเผ็ดแล้วก็ถั่วมาใส่หน่อยรสมันมัจะมีห้าอย่างมาไว้เติมเห็นไหมเปรี้ยวนี่ก็ต้องเปรียแบบปร้ยวแบบเปรี้ยวแบบสองประเภทเลยนะมา มาไว้เอาใจนะเปรี้ยวแบบมะนาวน้ำส้มสายชูสายชูแบบพริกหั่นหรือไม่หั่นอะไรเงี้นะโอ้ยมันแยกไปหมดเลยนะโอยราศาัศรสะกปัญหานี่มันที่จิตจริงๆแยกไปหมดเลยนั้นลองมันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดูที่ร้านไหนมันขาดนะอยากกันลุกหนีเลยนะเติมไม่เติมไม่รู้ขอให้เห็นก่อนนะคกับทุกคน